ความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแดพี่น้องผู้ที่มาศึกษาในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้ครับในส่วนของวิชาตัฟซีรอยู่ในซุลฮูดวันนี้ในเอกสารพี่น้องมันจะมีแค่สีอายะ นะครับแต่ผมจะพูดห้าอายะเพราะว่าเนื้อหามันเกี่ยวข้องกันนะอายะที่48ถึงอายะที่ห้าสนะครับวันนี้ห้าอายะอายะที่48ถึงอายะที่ห้าสแต่ว่าในเอกสารมันมีแค่อายะที่51ไม่เป็นไรนะครับพูดต่อไปให้เพราะว่าเวลาสัปดาห์หน้าเนื้นอหาจะได้ต่อเนื่องกันถ้าวัดตัดแค่51 52ก็จะลอยนะ เนื้อหาในวันนี้นะพี่น้องจริงๆแล้วพูดถึงนบีสองท่านเลยนะครับคือท่านนบีนัวอะลัยฮิสซลามแล้วก็เริ่มพูดถึงท่านนบีฮูดอะลัยฮิสซลามพี่น้องมากคนตั้งข้อสังเกตว่าตับซีรซุลฮุดเนี่ยแต่ว่านบีฮุดอยู่ไหนเอ้ยเอ่อนบีฮุดอยู่ไหนไม่มาเลยนาพูดแต่นบีนัวเนี่ยเดียนบีฮุดจะมาแล้วนะครับ ในอายานี้เนี่ยนะครับความหมายข้าว่าผมพูดได้เห็นภาพนิดนึงนะครับกล่าวถึงตอนทนี่ท่นนนานอบดุลลอะลัยซ์สลามน้ํานี่ยลดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเปสัปดาห์อีกหยุดไปท <c oughs> ่นนนานอับดุลอะลัยซ์สลามเนี่ยทำไมเอ่ยหลังจากที่ลูกจมน้ำนะครับลูกคนหนึ่งที่ไม่พักดีต่อนหล่อจมน้ําเสียชีวิตไปแล้วท่านอบีนลก็ เรือก็ทำไมเอ่ยลดระดับลงมาน้ำแห้งแผ่นดินกืนน้ำกว่าไปสูบน้ำลงไปท้องฟ้าหยุดฝนไม่ตกลงมาแล้วน้ำแห้งแล้วนะครับเรื อ, อนบีนัวก็ไปไปอยู่ที่ยอดเขาอันนี้คือเนื้อหาที่ต่อมาในอายะที่48ในวันนี้ครับอลัลลอฮตรัสไว้ว่ากีาล่านะครับได้มีเสียงกล่าวว่า ยานูหูบิดจรคือยานูหูโอหนัเอ๋ยเออบิดแปลว่าจงลงแต่เวลาอ่านก็อ่านควบกันนะครับบิสลาลามินด้วยกับความสันติลงในที่นี้ก็คือลงจากเรือบิสลาลามินมินนาด้วยกับความสันติความปลอดภัยจากเรา ต้นอายะเบาวกีลาได้มีเสียงกล่าวขึ้นว่าโดยทางภาษาแล้วเนี่ยภาษากรีก passive v o i คือไม่ทราบว่าประธานเป็นใครถูกกล่าวขึ้นมาไม่ทราบว่าใครกล่าวแต่ว่าประโยคที่ว่าบิสลา ม, มินมินนาด้วยกับสันติจากเราถึงทราบว่าผู้ที่กล่าวคือใครคืออัลลอฮ์ผู้ให้ความสันติวาบารากาติน แล้วก็ความจำเริญอะไรก็ต่อท่านวาลาอุมามินแล้วก็บนกลุ่มชนมิมมันมากาะัสกุปอุมอมัมนี่ก็คืออุ ม, มาพี่น้องกลุ่มชนด้วยประชาชาติจากคนที่อยู่กับท่านตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวพูดละเอียดนะข้าว่าคือว่า นบีนัวและกรผูศรัทธาคนที่อยู่กับ น, นบีนัวเนี่ยตอนที่ลงจากเรือเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ความสันติให้สาลามแล้วก็ให้บรากาสให้ความจำเริญ น, นบีนัวด้วยแล้วก็คนที่อยู่กับ น, นบีนัวด้วยแล้วก็ประชาชาติซึ่งจะเป็นลูกเป็นหลานแตกออกมาจากคนที่อยู่กับ น, นบีนัวอันนี้คนที่ได้สิ่งดี นะครับก็อ่านกล่าวต่อไปว่าวอุมา ม, มุนและประชาชาติอื่นๆซึ่งทำไมเอย่ยซึ่งไม่ได้อยู่กับ น, นบีน่นเนี่ยทำไมครับซาุมัตติอูฮุมเราจะให้ความเพลิดเพลินกับเขาให้ความสนุกให้ความสะดวกกับเขาซุมมาหลังจากนั้นอยมัสสุฮมุมมินนาอาดาบุนอาลีม หลังจากนั้นแล้วก็จะมีการลงโทษซึ่งเจ็บแสบมาประสบกับพวกเขาให้เขาเพลิดเพลินอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเขานี่คือความหมายคร่าวๆของอายะห์ที่48ในสุราห์ฮุดในรายละเอียดพี่น้องครับเราทราบว่าตอนนี้นหนพี่น้องนบีนัว ตอนที่ลงมาจากเกรือเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวลูกนบีนุ่งที่เราทราบเนี่ยนะครับที่อยู่กับนบีนุนะ่หน้าที่ไม่จมน้ําตายเนี่ยที่เราทราบแตม่มีสามคนมีซามมีฮามมียาฟิตนะครับตรงนี้เนี่ยใน บ, บเบบลก็มีนาซามฮามชื่อออกจะเอกเสียงต่างกันไปแล้วก็เราทราบว่ามีลูกนบีนุ่งคนที่สี่ด้วยซึ่งจมน้ําตายไป นะครับมีภรรยาในาบีนัวอีกคนซึ่งเป็นแม่ของคนที่สี่นี่แหละที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์น่ะเป็นรายละเอียดที่เราทราบเพิ่มเติมคนที่ขึ้นเรือกับ น, นบีนัวแล้วก็ลงมาเนี่ยมีในบีนัวมีลูกทั้งสามแล้วก็มีผู้ศรัทธาคนอื่นๆลงมาด้วยในอายะ น, นี้นะครับอลัลลอฮ์บอกว่า เอาเราให้ส e nah ิ so ่งสองประการกับคนกลุ่มนี้นบีนัวกับผู้ศรัทธาก็คือสลามให้ความสันติอวบารากาสแล้วก็ให้ความจำเริญให้ใครบ้างครับอารายกาให้นบีนัวว่อาลาอุมมินมินมันมาอากาแล้วก็ให้คนซึ่งอยู่กับนบีนัวแล้วก็ประชาชาติที่จะแตกออกมาเป็นลูกหลานของคนเหล่านี้ คำถามก็คือว่าถ้าพี่น้องอ่านคร่าวๆเนี่ยก็ปกตินะคนดีก็ให้ความสันติให้สันตให้รากกัดปกติแต่ว่าพี่น้องครับอลัลลอฮฺบ่าวาอิบิดจงลงมาเนี่ยพี่น้องลงจากเรือขึ้นมาเนี่ยสภาพตรงนั้นไม่มีผู้คนแล้วพี่น้องนึกภาพนะไม่ใช่ง่ายนะครับคนกลุ่มหนึ่งพี่น้องตั้งถิ่นฐานใหม่ในที่ซึ่งไม่เหมือนเดิมอ่ะนะ คนก็ไม่เหลือสัตว์ก็ไม่เหลือน้ําท่วมหมดแล้วนับหนึ่งใหม่บางคนก็ถือว่านาบีนุวนเนี่ยถือเป็นนบีอาดัมคนที่สองถ้ามองว่าน้ําท่วมโลกคือท่วมทั้งโลกถ้ามองแบบนั้นบางคนก็บอกว่าท่วมเฉพาะพื้นที่ยังไงก็แล้วแต่สภาพตรงนั้นพี่น้องในการตั้งถิ่นฐานใหม่ยากทุกวันนี้เราไม่รู้สึกว่าเรายากพี่น้องผมเกิดมานะ่ะมีบ้านแล้วมีหลังคามีรั้วคือพ่อแม่ก็มีอาชีพ เพราะว่ามันไม่ใช่สังคมยุทบรรพการไม่ใช่เดิมๆไงแต่ถ้าเป็นนบีนุ่นไม่มีอะไรเลยพี่น้องนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็วิถีชีวิตคนนบี่น้องถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมจะลอยฟังว่าทําไมมันลําบากสมัยก่อนมนุษย์ยังชีพโดยการล่าสัตว์ล่าสัตว์นบี่น้องทําได้ไม่ทําได้แต่ว่าเราไม่ได้กําหนดเองถ้าสัตว์ไม่มีให้ล่า เราก็ไม่ได้ละการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ของมนุษย์นี่ยากนะพี่น้องที่บอกว่ายากเพราะต้องการอธิบายว่าทําไมอัลลอฮฺถึงให้ในบีนุว่วลงจากเรือ พ, อพร้อมผู้ศรัทธาแล้วก็ให้ความสันติแล้วก็ให้ความจำเริญถ้ามันมีความสันติไม่มีความจำเริญพี่น้องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยากมากตอนที่มนุษย์ดํารงชีพโดยสังคมการล่าสัตว์นะพี่น้องพอคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นการล่าสัตว์จะมีปัญหาแหละหนึ่งคือสัตว์ที่ล่า อาจจะได้ไม่เท่าเดิมแต่ว่าคนเยอะขึ้นมีปัญหาแล้วก็สังคมล่าสัตว์พี่น้องเป็นสังคมที่ต้องการพื้นที่หมายความว่าถ้าคนอยู่เยอะๆจำนวนเยอะๆเนี่ยพี่น้องแล้วก็ยังคงล่าสัตว์กันอยู่เนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะเวลาคนล่าหนึ่งโดยเ้าตีประมาณหนึ่งคนก็ประมาณ5ตารางกิโลเมตรนี่ก่อนมาพี่น้องผมก็ล่ากับผมพี่น้องมาอยู่กับผมเนี่ยไม่มีประโยชน์ล่าชนกันอ้าก็ขยับไปขยับไป คนนี้แต่คนมานหนาแน่นมากเป็นสังคมเมืองเนี่ยเราล่าสัตว์ไม่ได้นะพี่น้องสังคมกรุงเทพเนี่ยจะดำรงชีวิตโดยการล่าสัตว์ล่าไม่ได้หนึ่งสัตว์ไม่มีสองพื้นที่มันไม่มีที่จะล่ามันเหมาะกับการดำรงชีพของคนกลุ่ม น, น้อยๆหลังจากคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นการล่าสัตว์เริ่มที่จะไม่ทําไมเอ่ยไม่ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการเพาะปลูกล่าสัตว์จะล่าไปเลยแหละย้ายนู่นย้ายนี่มีสัตว์กลับไป สัตว์ยก็อยู่สัตว์มก็กย้ายไปแต่พอมีการเพาะปลูกแล้วพี่น้องคนไม่ย้ายแล้วเพราะทําไมละ่ะต้องดูแลพืชที่ปลูกถึงเวลาเก็บเกี่ยวปีนึงมันเก็บได้กี่หนสองหนสมมุติก็ดูฝนเป็นยังไงพอสังคมที่มีการเพาะปลูกแล้วมีการตั้งถิ่นฐานคนมากขึ้นมีปัญหาไหมไม่เคยมีปัญหาเรืองการล่าสัตว์เพราะพื้นที่ไม่ต้องตะเว ล, ลาราสัตว์แต่ว่าเพาะปลูกขึ้นมาเองนี่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ พออยู่คนเยอะๆคนเยอะๆมีลูกมีหลานเยอะก ล, กลกกายเป็นเมืองกลายเป็นอาณาจักรมีผู้ปกครองมีอะไรก็แล้วแต่นี่คือการตั้งถิ่นฐานง่ายไ้ยไม่ง่ายพี่น้องแต่ว่าอลล์เนี่ยบอัลบีน ว, ว่าไม่ต้องไปห่วงประเด็นเหล่านั้นให้ลงมาจากเรือในเรือ ก, ก็มีซาเบียงอยู่พี่น้องแต่ก็มีวันกินหมดแต่วันนี้น้ำแห้งแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ชีวิตยังไงเอบิดลงมาเพราะทาไมล่ะ บิซาลามินมินนาเราจะให้ความปลอดภัยลงมาแล้วจะเจออันตรายเจอนู่นเจอนี่ใช่ไหมอัลลอฮฺบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเราจะให้ความปลอดภัยเท่านั้นไม่พอไม่ใช่แค่มีความปลอดภัยอยู่อย่างเดียวปลอดภัยไม่ได้มนุษย์ต้องการหลายๆอย่างพี่น้องบ้านที่อยู่อาศัยอาหารการเจ็บไข้ได้ป่วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เยอะแยะไปหมดสิ่งเหล่านี้ รวมอยู่ในคําว่าบาราการความจำเริญอยากนะพี่น้องถ้าลงมาสม 4, สี่สมห้าแล้วอา้าวจะอยู่ตรงนี้แหละไม่มีอะไรเลยสัตว์ก็ไม่เหลือแล้วเหลืออย่างละคู่พี่น้องที่ ด, ดูเนี่ยกว่ามันจะว่ามันจะผสมพันธุ์แล้วก็มีเยอะให้เราล่าได้กินอหไรเนี่ยกินระยะเวลาเยอะนะแล้วแต่พื้นดินพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นไม่มีความสมบูรณ์สัตว์ก็ยังไม่ทั้งสิงโตยังมีอยู่สองตัวลูกยังไม่ออกไก่ยังมีอยู่สองตัว นะพึ่งจะพื้นจะลอ่อจะน้ําท่วมเนี่ยมันคงไม่ได้ประสมพันธ์กันไวมากนะครับสัตว์ก็ต้องรอสักพักก่อมันจะขายายไปแต่พื้นดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้จะอยู่ได้ต้องมีความจำเริญหลายๆอย่างพี่น้องครับที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังไม่พอพี่น้องตอนนึกภาพด้วยว่ากลุ่มชนนับีนวัวไม่ได้จับกันอยู่เป็นก้อนเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าตอนนั้นในโลกนี้มันไม่มันไม่มีใครแล้ว จะทั้งโลกหรือว่าเฉพาะพื้นที่บริเวณนั้นกันแล้วแต่ก็มีการแยกย้ายไปยากขึ้นไปอีกในการดำรงชีวิตอยู่ในการช่วยกันอะไรกันแต่ว่าในสถานการณ์ตรงนั้นแยกกันไปครอบครัวนี่แยกกันไปผัวเมียแยกกันไปไหนจะมีลูกไหนจะสืบเชียงแบบใหม่สัตว์ก็ยังไม่ค่อยมีพืชผลจะมีไหมการที่กลุ่มชนอบีนัวรอดมาได้านะพี่น้องครับด้วยกับซาลามแล้วก็บราร์กะ ความสันติแล้วก็ความจำเริญที่อัลลอฮฺให้ไม่งั้นจะอยู่ยังไงพี่น้องนะไม่ใช่แค่รอดอย่างเดียวแต่ว่าอาลาอุมมามินมินมัมมาอักะไอ้คนที่แยกย้ายกันไปแต่ละครอบครัวแต่ละผัวเมียมันที่ลูกไม่มีแยกกันไปไหนพี่น้องมีลูกมีหลานออกมาเต็มไปหมดเลยกลายเป็นอุมม์เป็นประชาชาติต่างๆ ใครจะลูกหลานนะบีนัคนไหนก็แล้วแต่นะครับมีขนาดนั้นได้บนเต็มหน้าแผ่นดินได้พี่น้องครับด้วยกับความจำเริญจากอัลลอฮฺฉะนั้นถ้ามองผ่านๆอ๋อก็ธรรมดานะบีนัลงมาก็โดยสันติด้วยกับความจำเริญแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถาสานการณ์ตรงนั้นยากนะพี่น้องในการที่จะรอดแล้วก็มนุษย์จะแพร่ขยายจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอัลลอฮฺให้ความจำเริญมาก ความอุดมสมบูรณ์มากในทางภาษาพี่น้องครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทําไมต้องทําไมต้องเออได้ความจำเริญแล้วก็ได้ความได้ความสันติคราวนี้นักทั้งีิอธิบายต่อไปพี่น้องอธิบายดีมากตั้งคําถามว่าในอายานี้เนี่ยมันมีกลุ่มชนสองกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งแจ้คําว่าอุมัม์เหมือนกันได้ทั้งความสันติความจำเริญ แต่ว่าอีกลุ่มชนหนึ่งทําไมเอ่ยซายุมัติอุหุมซุมมายมัสซูหุมมีนาอาดาบุนอาลิมจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺที่เจ็บแสบเป็นอุมัมเป็นประชาชาติเป็นกลุ่มชนเหมือนกันแต่ทําไมสิ่งที่ได้ต่างกันอันหนึ่งได้การลงโทษที่เจ็บแสบอันหนึ่งได้ความสันติไม่โดนลงโทษไม่เพาะนะได้ความจเจริญด้วยทําไมถึงต่างกัน ต้าตอบแบบเป็หนห่วงก็คือกับคนดีคนไม่ดีนะตะนนั้นตัปซิดมองกัรอ่านลึกกว่านั้นเออเราบอกว่าสิ่งที่ทําให้คนเหล่านี้ได้ความจําเริญก็คือมาอากาสาเหตุคือพราอเขาเลือกที่จะอยู่กับนบีนัวก่อนที่น้าจะท่วมพี่น้องคนมีหลายแบบคนเชื่อนบีนัวคนไม่เชื่อนบีนัวคนไม่เชื่อเฉยๆคนไม่เชื่อด่านาบีนัวด้วยเออ ลูกหลานนบีนุ่นที่เชื่อลูกคนนึงที่ไม่เชื่อกลุ่มชนมีเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายกลุ่มชนที่รอดพ้นเนี่ยนะครับเพราะเลือกที่จะอยู่กับนบีนุ่นลูกนบีนุ่นเนี่ยมาจากนบีนุ่นแท้ๆเป็นลูกแต่ว่าตอนที่น้ําท่วมไม่เลือกที่จะอยู่กับพ่อสุดท้ายก็จมน้ําตายนะคนเหล่านี้ได้ความจำเนื่อเพราะว่าเลือกที่จะอยู่กับนบีนุ่นเขาจึงได้ความจำเนื่อ ตอนนั้นไม่พอลูกหลานของเขาก็ได้รับความจำเริญด้วยบางทีเนี่ยพี่น้องครับบรรพบุรุษดีๆเนี่ยส่งความดีต่อมาให้ลูกหลานพี่น้องเป็นความจำเริญอาจจะมาแ100ด่นะ้ออรนตนบิ๊โนก็นมีคนหนึ่งซึ่งไม่ไม่ศรัทธาแต่ว่าคนดีๆโดยส่วนมากแล้วลูกหลานก็จะดีไปด้วยวเวลาไปขอลูกสาวให้ใคร ใครมาขอลูกสาวเราสื้อไปที่ไหนล่ะซืบอไปที่ตนตระกูลถ้าตระกูลเขาดีมันก็มีโอกาสสูงที่ว่าคนนี้จะดีด้วยไอ้ดีพาเรามีไม่มีนะแต่ว่าส่วนมากแล้วมันจะดีไปด้วยสาเหตุที่ให้ความจำเริญแล้วก็ความสันติมาอาขาคนเหล่านี้อยู่กับนบีนัวลูกหลานของคนเหล่านี้ก็ได้รับความจำเริญไปด้วย ในท้ายของอญญายะที่สี่สิบแปดเนี่ยเอาเล่บเาบอกว่ากลุ่มชนนี้ประเภทหนึ่งทําไมเอย่ยจะได้รับการลงโทษนะตรงนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้ผู้ติดตั้งพาคีนในนครมักกะฮ์ด้วยพี่น้องทราบไ้มว่าคนอาหรับในสมัยก่อนให้ความสําคัญกับพระวิชาอันซาบวิชาเชื้อสายผมเป็นลูกใครพราะ่าผมเป็นลูกใครปู่ผมเป็นลูกใครไล่แบบเนี่ยคนอาหรับสมัยก่อนให้ความสนใจมากคนไทย ผมกล้าท้าเลยปู่คนที่สี่คนที่ห้าชื่ออะไรมันที่ตอบไม่ได้พ่อรู้ปู่รู้ไม่รู้พ่อของปู่ทราบไหม อ, อาจจะทราบแต่ปู่ของปู่ทราบไหมมันทีไม่ทราบแล้วแต่ว่าคตอะครับให้ความสนใจไล่เชื้อสายตัวเองเนี่ยพี่น้องแล้วก็สอนลูกหลานท่องจำกันเนี่ยไล่ไปถึงนูน่นถึงนบีนหนุ่นถึงนบีบรอยฮีมนุน่นไล่ไปแบบนั้นเลยให้ความสนใจกับเชื้อสาย จะผิดจะถูกก็อีกประการหนึ่งแต่เขาให้ความสนใจกับเชื้อสายตระกูลตัวเองก็อ่านบอกว่ากลุ่มชมเหล่านี้เนี่ยทไมเอ่ยเคยได้รับการลงโทษไปแล้วเลือกที่จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับศาสนทูตดถูกลงโทษคนที่เลือกอยู่ฝ่ายเดียวกับศาสนาธุดนะครับสันติและความจำเรินฉะนั้นประวัติศาสตร์ก็สามารถ ย้อนกลับมาเกิดได้กับผู้ที่ตั้งพาคีนนครมาการ์ได้เช่นเดียวกันจะได้รับการลงโทษได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เตือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณบรรพบุพรบุษของคุณท้าไล่ไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเป็นคนดีนะเลือกที่อยู่กับ น, นบีนู่นว่าแต่คุณเนี่ยมาเปลี่ยนทีหลังบรรพบุพรุษดีหมดแหละแล้วก็มาเปลี่ยนทีหลังเป็นผู้ที่ตั้งภาคีอันนี้เป็นนัยยะหนึ่งทึ่งส่งไปให้กับบรรดาผู้ที่ตั้งพาคีนนครมาการ ต่อมาครับในอายะห์ที่49่สิเกาอั์ตรัสไว้ว่าติ้นกามินอัมบาอินรอยหลังจากเล่าเรื่องนบีนุ่นทั้งหมดแล้วบอกว่านั่นคือข่าวเรื่องราวซึ่งเลนลับนูฮีฮาอิเลิกะเราได้ให้วะฮีกับท่านเรื่องราวนาบีนุ่นเนี่ยนะครับบางเรื่องเป็นคนเรื่องที่คนไม่ทราบอาลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟัง มากุลตะตะละมูฮาท่านนั้นไม่เคยทราบมันมาก่อนอันตาตัวท่านก็ไม่ทราบวาลาเกามุก้ากลุ่มชนของท่านก็ไม่ทราบมินกอบลิฮาดาก่อนที่ก u อ่านก่อนนี้ก่อนที่ก u อ่านจะเล่าให้ฟังคำถามเกิดขึ้นอ้าวในบอกเรื่องเล่าของนบดุลเี๊โนเนี่ยเป็นสานกลก็เหรี่ยงยังมีแดงแดงยังมีเลยอารุกิตาก็มี เรื่องนบีนุ่ใครๆก็ทราบใครๆก็เคยได้ยินแล้วทําไมก็อ่าอนถึงบอกว่ามินอัมบาอินร้อยเป็นเรื่องที่เล่นลับบอกต่อไปว่ามากุนตาตะละโมฮาอันตะวลาคาอมุกาไม่มีใครทราบอ่ะกลุ่มชนของท่านก็ไม่ทราบท่านก็ไม่ทราบมินกอบลิฮาดาก่อนที่ก ua อ่าอนจะบอกจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของนบีนุ่ถูกกล่าวว่าในคัมภีร์ของมาดาอัลุกกิตาไม่ไม่มีในความเชื่อ อ, อื่นไม่ไม่มีแต่รายละเอียดที่ก ua อ่าอน เล่าให้ฟังไม่ปรากฏในคำภีเล่มอื่นและละเอียดอะไรบ้างพี่น้องครับรายละเอียดบทสนทนาระหว่าง น, นัวกับพระเจ้าของเขาที่เราทราบข้ข่าว ค, คือนโนอาน้ําท่วมโลกแล้วก็เรือรอดพ้นแล้วก็มีลูกชื่อนุนชื่อนี้แต่รายละเอียดที่นบีนัวเคยขอต่อร่ำว่าให้อภัย้อยกับลูกตัวเอง ไม่ถูกกล่าวในคัมภีร์เล่มอื่นการที่อัลลอฮ์เตือนกลับไปว่าอย่าขอในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ไม่มีในกัมภี์เล่มอื่นอ้าวและละเอียดบ้าประการพี่น้องครับไม่ปรากฏในกัมภีร์เล่มอื่นแต่ว่าถูกแจกแจงในคุรานเล่าเกี่ยวกับนบีนัวตัวตนี้เป็นหลักฐานยืนยันประการหนึ่งว่าสิ่งที่มีมูฮัมหมัดนํามานะพี่น้องไม่ใช่ก๊อปปี้เขามานะ ลหลายคนนะหลายคนที่ไม่เชื่อในอิสลามเนี่ยชมตีอิสลามบอกว่ากัมภานก็นบีกับบรรดาซาบะก็รวมหัวกันแหละแล้วก็ความเชื่อเก่าๆมาแล้วก็มาย้ำกันมาเติมมาโน่นมานี่เรื่องราวนาบีนู้ะใครก็ทราบแต่กัมภานกล้าให้รายละเอียดซึ่งไม่ปรากฏในคัมภีร์เล่มอื่นเนการบอกว่านี่คือทําไมเอ่ยมินอัมบะอินร้อเป็นเรื่องราวที่เล่นลับซึ่งอัลลอฮ์ให้วะฮี อัลลอ์ทราบอัลล์ลก็ให้วะฮีส่งวิวรมาให้นบีทราบไม่ได้มาจากคำพีเล่มอื่นหรือความเชื่ออื่นหลังจากนั้นอักุรอานกล่าวต่อไปว่าฟัสบิรฟัสบิรแปลว่าจนอดทนจงสอบัตอินนันอากีบะตาและสุดท้ายแล้วจุดจบแล้วลินมุตตะกิน จุดจบดีๆในทําไมเอ่ยมันจะประสบกับบรรดาผู้ที่ยำเครงเวลา พ, พูดถึงประวัตินบีนัวพี่น้องได้แง่คิดอะไรบ้างจากนาบีนัวลองตั้งคําถามกับตัวเองหลังจากเศร้าไปการทั้งหมดแล้วเนี่ยฟังประวัตินบีนัวฟังจงเปลือยเลยพี่น้องตอนเด็กฟังมาตลอดเลยถามว่าประวัตินบีนัวให้แง่คิดอะไรบ้างคําถามสั้นๆลองถามตัวเองถามลูกถามหลานนะครับเวลาเล่าประวัติไป ก็าอ่านบอกว่าประวัติน บ, บีนุ่เนี่ยประเด็นสําคัญเลยคือให้อดทนถึงบอกว่าฟัสบิรหลังจากจบประวัติน บ, บีนุ่นแล้วกว็าอ่านข่วมดปมสั้นๆว่าฟัสบิรจงอดทนเพราะเนื้อหาที่เราทราบก่อนหน้านี้เกี่ยวกับน บ, บีนุวเป็นเรื่องของความอดทนหลักๆเลยประเด็นอื่นอาจจะมีบ้างยิบย่อยแต่หลักๆเคยคือคืออดทนต้องสอบบัตร สอบัตรยังไงบ้างพี่น้องครับในปีนวดใช้เวลาในการเผยแพร่ยาวนานมาก950ปีคนไม่สอบัตรทำไม่ได้พี่น้องแล้วก็ผลตอบรับ950ปีผลตอบรับถือว่าน้อยทำไมละ่ะมีผู้ศรัทธาประมาณไม่ถึงแปดสิบคนเฉลี่ยแล้วเนี่ย เอาปีนอปีไปหารกับคนเนี่ยแปสิบหารเก้าอยหสิบเนี่ยเท่าไรละสิบปีได้ไม่ถึงคนพี่น้องเคยไหมล่ะเผยแพระอิสลามหนึ่งสิปีได้คนหนึ่งเนี่ยท้อไหมล่ะท้อไปแล้วน บ, บีนุ่ทําหน้าที่ต่อไปเก้าร้อยห้าสิบปีนบีนุ่เป็นผู้ที่อดทนนึกภาพน บ, บีนุ่ตอนที่สร้างเรือขึ้นมาพี่น้องเรือเ น, นี่ไม่นดือดซึมมาสำเร็จรูปนานแล้วฝนตกก็กรล่นเลยไม่ใช่ค่อยๆต่อต่อต่อ คนมาว่าน บ, บีนัวทุกวันเลยพี่น้องถ้าผมอยู่ดีซื้อที่แถวหน้ารามแล้วก็ต่อเรือขึ้นมาพี่น้องคนก็ว่าผมบ้าใน บ, บีนัวโดนแบบนั้นพี่น้องโดนเป็นร้อยร้อยปีสมัยนี้ยังคุ้นหน่อยยังมีคลองมีเรือยังคุ้นสมัยก่อนไอการที่จะสร้างเรือใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยคนตั้งคาถามว่าทําไม เราไม่มีรายละเอียดตรงนั้นเขาเคยออกทะเลกันไม่รู้จักมนโนทัศน์เกี่ยวคำว่าเรือไหมเรายังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าเรือที่ใหญ่แบบนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยคนตั้งคำถามเลยมันคืออะไรมันใช้งานยังไงและจะไปใช้ที่ไหนโอเคถ้ามันลอยน้ำแล้วน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ที่สูงกันน้ำจะมาไม่ถึงแล้วทำไมต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้ถูกยอะเยอถูกถากถางพี่น้อง และนบีนัวกระทำต่อไปนึกภาพจะต่อตะปูอะไรผมก็ไม่รู้แหละทำเรือเนี่ยทําทำไม่ได้ทำมันเดียวเสียนะทํานานแล้วคนธรรมาดามาว่าทุกวันแล้วก็มันเชิงประจักษ์ว่าเรามันจะไปใช้งานที่ไหนอ้าวบ้าไปแล้วนบีนัวโดนแบบนี้ทุกวันนบีนัวอดทนนะครับการเอาทนของนบีนัวไม่ใช่แค่นั้นครับอดทนเมื่อเกิดการทดสอบเกิดขึ้น ประสบการณ์ที่น้ําท่วมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีแค่เรือเรารอยอยู่ในน้ำ น, นะพี่น้องเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะต้องอดทนแล้วมันจะจบในน้ําท่วมอย่างเงี้มันจะลงแบบไหนแล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งแห้งแล้วจะยังไงพราะทุยามันถูกพัดพังไปหมดแล้วไม่ต้องเอาเยอะพี่น้องครับเอาสมัยกรุงเทพปีไหนที่น้ําท่วมอ่ะห้าสี่หรเปล่า ตอนที่น้ำท่วมมันจะท่วมกรุงเทพท่วมประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพบางส่วนท่วมบางส่วนไม่ท่วมเนี่ยเวลาน้ําลดแล้วพี่น้องนับหนึ่งกันใหม่บ้านนะเข้าไปคุยเอาพังนู่นพังอันนี้พังนั่นแค่น้ําท่วมท่วมธรรมดานะพี่น้องตัวบ้านยังเหลือแต่ว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ล้างกันใหม่กวาดกันใหม่แต่นบีนู้นเนี่ยท่วมเกี้ยงเลยลูกที่จะว่ายไปหาผู้เขาเนี่ยก็โดนคลื่นที่ สูงเหมือนภูเขาทับให้ตายจมน้ำดูดกัาไปจมน้ำตายเริ่มต้นกันใหม่ในบีนัวคือคือผู้ที่อดทนแล้วหลังจากนั้นน้ำแห้งแล้วเนี่ยนะครับีนบีนวัวต้องนับหนึ่งใหม่มันไม่ใช่แค่การเผยแพร่อย่างเดียบี่น้องการดำรงชีวิตการมีลูกมีหลานสิ่งเหล่านี้สะท้อนได้เห็นว่าสิ่งที่เราสมควรได้จากประวัติในบีนัวคื อ, ค, อคือความอดทนต้องอดทนพีน้อง เวลาพูดถึงมีปัญหามีการทดสอบเกิดขึ้นเราไปปรอบคนว่าสอบัตินะสอบัตนะบางคนไม่เข้าใจยกประวัตินบีคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความอดทนมากที่สุดคือท่านนาบีนัวอัลเลฮิสสลามกูอ่านเล่าทั้งหมดพี่น้องครับและขมวดปนว่าฟัสเบียกจงอดทนแต่ว่าทั้งหมดนั้นสะท้อนให้เห็นว่าความอดทนมีคุณค่าขนาดไหน แล้วก็กล่าวต่อไปว่าในอายาที่19ว่าอินนันอากิบัตาลินมุตตะกีนสิ่งดีๆในตอนท้ายทำไมเอ่ยจะประสบกับบรรดาผู้ที่ยำเกรงฉะนั้นความอดทนตรงนี้บอกกับ น, นบีด้วยฟัสบิฟฟสบินี่เป็นคำสั่งคนคนเดียวนะให้นบีอดทนความอดทนคนที่เป็นศาสนาทูตต้องอดทนด้วยแล้วก็บอกด้วย ให้ผู้ศรัทธาอื่นๆ อ, อดทนด้วยเพราะว่าทำไมละ่ะอีกหน่อยหนึ่งอีกไม่นานอินนันอากิบัตาสิ่งดีๆในตอนท้ายลิ่นมุตตะกีนจะเกิดกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงอากิบะจะเกิดตอนท้ายแฮปปี้เอนดิ้งนี่พี่น้องกับตอนจบดีๆจะเกิดกับบรรดาผู้ที่ยำเกรงมีสองลักษณะซึ่งแยกกันไม่ได้นึงคือความอดทนสบัสด สองตักวามุตตะกินมาจากความแปลว่าพูดี่มีความตักวาแหละผูดียำเก่งเนี่ยตักวากับซอบัตแยกกันไม่ออกคนที่บอกว่ฉันตักวามีความยำเกง่งแต่ไม่ซอบัตเนี่ยตักวาก็มีปัญหาคนจะซอบัตได้จะทนทาไมละ่ะขอมาอยากไม่ต้องทนจะทนทาไมทนเพราะว่าอัลลอฮ์เก่งกลัวต่ออัลลอฮ์คนอื่นเขาว่าแล้วก็ทุบเขา ทำนู่นทำนี่ทำไมเราไม่ไม่ร้ายใส่เขาตอบละ่ะเพราะว่ายำเกงไงพรอยำเกงต่อแล้วเราถึงอดทนในสังคมซึ่งเราดูแล้วไอ้นู่นก็ยั่วอันนี้ก็ยั่วเต็มไปหมดเลยง่ายมากพี่น้องถ้าอยากจะช่วนะพี่น้องจายตั้งมีมอไซค์สิ บ, บาทเนี่ยส่งถึงเลยในกรุงเทพเนี่ยพี่น้องผมกล้าท้าเลยเสียค่ามิตเตอร์เนี่ยไม่ถึงร้อยก็ถึง สถานที่ซึ่งไม่ดีแลว้วมุมไหนก็ได้ขึ้นแท็กซี่พี่พาไปที่ที่มันไม่ดีหน่อยเนี่ยแท็กซี่พาไปถึงมิเตอร์มไม่ถึงร้อยพาไปถึงหมดเพราะมันเข้าถึงง่ายทําไมถึงไม่ไปล่ะเพราะมีความยําเกรงไง ย, ยำเกรงแล้วเลยสอบัตอดทนต่อสิ่งยุ่ายุ่ฉะนั้นการยําเกรงกับทําไมความอดทนแยกกันออกไหมยแยกไม่ออกนะครับถ้าอยากศึกษาอยากทราบรายละเอียดเอาจากไหนล่ะเอาจากประวัตินบีนัวอะลัยฮิสซาลาห หลัจากอายาที่สี่สิบเ้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ในซุร้อนฮุดเปลี่ยนมาพูดถึงประวัตินบีฮูดแล้วนะ น, นีนัวเนี่ยในซุระอนนี้เนี่ยนะครับก็ถึงแค่อายาที่สี่สิบเแต่ว่าประวัตินบีนัวในซุระอนอื่นมีไหมมีซุร้อนชื่อว่านัวเลยมีไหมมีแล้วก็จิปาฐะแตกย่อยไปในซุร้อนอื่นมีไหมมีนี่คือลักษณะสาสมดวงกูอานไม่เอาเรื่องราบทั้งหมดมากระจุกไว้บทเดียว ซูรา่าซูร่าฮุดกะนา บ, บีฮุดอย่างเดียวกูอ่านไม่ทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าวลาคนอ่านจริงเนี่ยเราไม่ได้อ่านเป็นบทแบบหนังสือกูอ่านเราอ่านในละหมาดด้วยตื่นเช้ามาเราก็อ่านด้วยหนึ่งหน้าหนึ่งแทนในอมาดอลเราก็อ่านด้วย30สยุทฉะนั้นแง่คิดที่เราได้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่อัดไปกระจุกกระจุกเดียวแต่ว่ากระจายกันไปมีประวัติมีแง่คิดมีอากีด้ามีฟิก พอสมกันไปนี่คือสำนวนของคุกอ่านหนังสือในปัจจุบันมาเดี๋ยเป็นแบบนี้แบ่งเป็นบทบทนั้นกระพูดเรื่องนั้นไม่พูดเรื่องอื่นนะครับอ่านทีเดียวกระจบแต่กุกอ่านเนี่ยกระจายทั่วมันมีหิกมากของมันอ่าจบแล้วนะครับนบีนัในายซัลฮูดต่อไปมาถึงเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับชื่อซัละูดโดยตรงเนี่ยฮูดเป็นชื่อนาบีพี่น้อง ูพื้นฐานนิดหนึ่งพูดเป็นชื่อนบีถูกส่งมาในกลุ่มชนอาจไม่ได้ส่งมาจากไหนก็เป็นคนเชื้อสายอาตอีกแหละในอายะห์ที่ห0สิอัลลตรัสไว้ว่าว่าอิาลาอาดินอาคอหุมคูดันนะแล้วก็ส่งไปยังทำไมเอ่ยกลุ่มชนอาตอาคอหุมพี่น้องของเขา ก็คือไม่ใช่คนอื่นนะครับฮูดันนบีฮุดอัลัฮิสลามพวกอาดมาจากไหนล่ะผู้อาดก็มาจากลูกหลานนบีนัวกลุ่มชนที่ลงมาจากเรือตรงนั้นแหละพี่น้องเหตุการณ์เนี่ยมันไล่ต่อกันนึกภาพเอาไหมเราไม่ทราบแน่ชัดบางคนก็มีการประมาณการนะครับว่าระหว่างนบีนัวน้ำท่วมเนี่ยกับกลุ่มชนอาดนบีฮุดเนี่ยมันกี่รอ้อยกี่พันปี มีการประมาณการประมาณการกันก็ไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดแต่ว่าที่เราทราบก็คือว่าอาร์ตเนี่ยเป็นกลุ่มชนแล้วพี่น้องเป็นกลุ่มชนแรกหลังจากน้ําท่วมท่วมโลกในท่วมนบีนัวลวท่วมเฉพาะบริเวณเนี่ยที่สามารถสร้างตัวขึ้นมาเป็นอรารยธรรมพวกอาร์ตทำได้แปลกพี่น้องเมื่อกี้นึกภาพออกใช่ไหมเวลาลงจากนาบีนัวแล้วเนี่ย มันจะไปกันเป็นก้อนนะแยกกันไปอา้าวครอบครัวหนึ่งมีผัวมีเมียสมมติลูกห้าคนแล้วต้องใช้เวลากี่ปีล่ะกว่าที่จะกระจายกระจายกาันกลายเป็นชุมชนกลายเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยมันกินระยะเวลากี่ชั่วอายุคนผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีไม่ทราบมนุษย์มีลูกหลานเพิ่มขึ้นไปแล้วและก็มีกลุ่มชนหนึ่งซึ่งเด่นมากในยุคนั้นเด่นที่สุดเลยสามารถสร้างอารยธรรม มีสังคมมีชุมชนของตัวเองมีเมืองของตัวเองสร้างความเจริญขึ้นมาแล้วก็อยู่ด้วยกันกลุ่มชนนั้นชื่อว่ากลุ่มชนอาร์ตกลุ่มชนอาร์ตพี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงนาบีคนหนึ่งแต่งตั้งคนคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาไอ้บรรพบุพรุษพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของกลุออ่มชนอาร์ตไม่มีปัญหาหรอกทามากันนบีนู่นมาศรัทธากันหมด แต่พอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยแฉตอนมันทําหน้าที่มีบิดมีเบี้ยวมีเพี้ย น, ม, น, นมีนู่นมีนี่นะครับจริงๆแล้วถ้าเราไปอ่านงานทางสังคมสังคมศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าไอความศักดิ์สิทธิ์ทําไมคนต้องไปกราบไหว้บุคคลศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้จวเจวิตกราบไหว้หนู่นกราบไหว้นี่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าพัฒนาการของมันบางคนก็ ยกป่าขึ้นมาให้มีความศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ให้มีความศักดิ์สิทธิ์บางทีก็เป็นกุศโลบายของเขาเหมือนกันจะรักษาป่ารักษานุรลสาหนี้ทํำยังไงให้ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้คนละเมิดมันก็เป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนนะแต่ว่าในทางอิสลามแล้วเนี่ยวิธีแบบนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับการตั้งฟาซีสลา ม, มยอมรับบางคนยกคนขึ้นมาตอนแรกก็ห้เกียรตดเฉย ให้ความเคารพหลังจากนั้นพัฒนาไปกลายเป็นกลายเป็นพระเจ้ามีไหมปัจจุบันนี้มีรูปจรเจวิบางรูปจรเจวิตเนี่ยบางทีเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์บางทีกับบุคคลจริงๆเนีพี่น้องเทพที่เป็นและผมไม่เอ่ยชื่อกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์พอตายไปแล้วเป็นคนดีทํำยังไงล่ะยกย่องขึ้นมาสร้างรูปเคารพขึ้นมาตอนแรกอาจจะไม่อิบาดตดา เพื่อสอนใจผู้คนคนดีคนนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะเขาเป็นคนดีให้ทําดีแบบคนคนนี้ตายไปแล้วทํางานดีแหละมีลูกเขอยู่เห็นหน้าแล้วนึกถึงสิ่งดีดีเขาปฏิบัติอ้าวพัฒนาต่อมามีการเซ่นไหว้มีการบูญสวนมีการขอภากัฐอยากจะดีแบบคนคนนี้ทาําไงก็ไปไหว้เขาสิจะได้ดีแบบเขานึกถึงเขาพัฒนาต่อมาจนถ้าเป็นการตั้งภาคี ในกลุ่มชนอาจกะเชนเดียวกันมีการตั้งพาคีเกิดขึ้นอลัลลอฮ์ถึงทรงนบีฮุดมาเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้นบีฮุด ท, ทำยังไงครับก่อนแรกนบีฮุดกล่าวว่ายาเกาเมียบุดุลลอฮาโอ้กลุ่มชนของฉันจงพักดีต่ออัลลอฮ์มาละกุ้มมินอิลลหิรุทำไมเอย่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดสาหรับพวกท่าน นอกจากพระองค์ในสิ่งที่คุณยกขึ้นมากราบไหว้เนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะนอกจากพระองค์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้ามีผู้เดียวอินอ mm ันตุมอิลลามุฟตารูนทำไมเอ่ยท่านพวกท่านเหล่านั้นมุฟตารูนอุปโโลขึ้นมาเจ้าเหล่านี้จริงๆไม่ใช่เจ้าแต่อุปโโลขึ้นมา จริงๆแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยพี่น้องอยากจะพูดให้ฟังว่าในสังคมเนี่ยเวลาเราสืบย้อนความเชื่อมาแล้วทําไมบางอย่างถึงมีความศักดิ์สิทธิ์เดิมๆไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าทําไมเอ่ยบางทีเอาแต่บางชุมชนพี่น้องมีสิ่งก่อสร้างสร้างตำนานขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าสร้างความรู้สึกร่วมเช่น สมมตินะบ้านบ้านป่ามะขามหมู่บ้านเราชื่อบ้านป่ามะขามสมมุตินะครับแล้วจะทํายังไงล่ะสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชนให้มันอยู่ร่วมกันอา้าวเราก็มีตํานานของหมู่บ้านเราต้นมะขามต้นนั้นเนี่ยทำไมเอย่ยสร้างขึ้นมานะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ย mm hmm. เพื่อดึงให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมีอัตลั ก, กษณ์ร่วมกันมะขามต้นนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษเราก็ผัวมาจากต้นมะขามสมมุติฉะนั้นเราก็จะ รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันหมู่บ้านป่ามะขามสมมุตินะครับอันนี้เป็นชื่อสมมุติตํานานต่างๆก็ถูกแต่งขึ้นมาทำไมละ่ะเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ให้คนอยู่โดยการให้มีพิธีกรรมให้มีผ้าสังคมให้ ม, รรมาทําอะไรอยู่ด้วยกันให้สามมาคีกันสิ่งเหล่านี้วิวัฒนาการตามสังคมแล้วก็เกิดขึ้นในลหลายๆสังคมเอาคนมาอยู่ด้วยกันอะไรมันดีนะพี่น้องแต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องความเชื่อขึ้นมามันจะกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ พอการเป็นความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยสุดท้ายนําไปสู่การตั้งภารคีพอสังคมถึงลักษณะแบบนั้นปุ๊บอัลลอฮ์ก็จะส่งบรรดาศาสนาทูตมาและก็ทําหน้าที่มาเผยแพร่ว่าทําไมเอย่ยจริงๆดาวสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าอัลลอฮ์ท่า น, นั้นเป็นเจ้าอา้าวคนกะดีสักพักทําไม่ดีก็ถูกทําลายหลังจากนั้นพอเว้นระยะเวลามนุษย์ก็กลับไปหาลักษณะแบบนี้ใหม่ความศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะทั้งหมดเลยพี่ น, อน้องครับมุฟตารูน เป็นสิ่งทุกอุปโลงขึ้นมาจะโดยเจตนาที่ดีหรือเจตนาที่ไม่ดีอะไรกันแล้วแต่มนุษย์สร้างขึ้นมาตำนานเนีพี่น้องไม่ใช่คนอื่นสร้างนะคนภายในชุมชนสร้างขึ้นมาเวลาไปศึกษาตำนานคนอื่นไม่ใช่เล่าว่าอันนี้เป็นแบบนี้เราสร้างตำนานขอเราขึ้นมามุฟตารูนกุขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายบางอย่างทางสังคมให้ความศักดิ์สิทธิ์ ให้คนสามารถคีให้หนู่นให้หนี่แต่สุดท้ายไปถึงการตั้งภาคีกลุ่มชนอาร์เช่นเดียวกันพี่น้องครับการที่น บ, บีฮูดบอกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันทําไมเอ่ยไม่มีเจ้าอื่นใดสําหรับพวกท่านนอกจากอัลลอฮ์ชี้ให้เห็นว่าในกลุ่มชนอาร์มีการตั้งภาคีเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ทราบว่าอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามีการตั้งภาคีขึ้นมาแล้วน บ, บีฮูดมาทําหน้าที่ตรงนี้ นบีฮุดเป็นใครกูอ่านจะคำว่าอัคอหุมฮูดาไม่ใช่ใครเป็นพี่น้องเป็นลูกหลานเป็นพี่ปานาอาเป็นคนที่นั่นแหละแต่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นนบีนบีฮุดว่าไงครับกาวต่อไปว่ายาเกาม่โอ้กลุ่มชนของฉันลาอัสอัลลกุมอะไรทีอัจยฉันไม่ได้ขอค่าจ้าง ไม่ได้ขอรางวัลไม่ได้ขอสิ่งตอบแทนจากท่านประโยคนี้คุ้นๆไหมพี่น้นองคุ้นถ้าใครจังจำได้เป็นประโยชน์ที่นบีนัวเคยพูดกับคุณชนนบีนัวพูดแบบนี้เลยลาอัสอัล um ุกุมอะไรอัจรอนฉันไม่ได้ขอรางวัลกับพวกท่านที่มาทําหน้าที่มาเผยแพร่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาขอรางวัลสิ่งตอบแทนจากพวกท่าน คำถามมันเกิดขึ้นในเมื่อตำนานตรงนี้เป็นของสมมุติความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นของชุมชนเราบูชากราบำไหวเรากกระกำไหวแล้วก็มีคนนึงโพลขึ้นมาแล้วบอกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ใช่พระเจ้าทำอย่างนั้นทำไมทำไมต้องค้านสังคมพูดอย่างนั้นขึ้นมาทำไมต้องการอะไรผลประโยชน์อะไรที่แอบแฝงถึงต้องพูดแบบนี้นบีนัวกับ น, นบีฮูดพูดเหมือนกันเลยพี่น้องลาอสัสอัลุกุมอัลลาฮิอัจรอน ที่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ต้องการผลประโยชน์นแปลว่าคำถามเหล่านี้เน่เกิดขึ้นกับมดานาบีเหมือนกันไม่ต้องการแล้วยังไงล่ะอินอะจริยรางวัลของฉันเนี่ยอิลลัลลดีฟาตารนีทำไมเอ่ยอยู่กับคนซึ่งฟาตาร์นีสร้างฉันขึ้นมาบังเกิดฉันขึ้นมารางวัลจากโกท่านเนี่ยฉันไม่เอาเอาจาก พระเจ้าซึ่งทำไมฟะตรณีสร้างฉันขึ้นมาอาฟาลาตะกิลูนพวกท่านไม่ได้ใช้ปัญญาหรอกหรือการทำหน้าที่ของบรรดาศาสนทธูตถูกตั้งคำถามพี่น้องแหลมขึ้นมาเนี่ยแหลมขึ้นมาทำไมทะลุ ก, กลางป้องขึ้นมาเนี่ยต้องการผลประโยชน์อะไรเวลามีการขยายความเชื่อนำเสนอความเชื่อใหม่เนี่ยคนจะผูกโยงว่ามีวาระอยู่ข้างหลัง มีการเมืองอยู่เบื้องหลังต้องการอะไรต้องการกลุ่มอํานาจใหม่ใช่ไหมต้องการลดเช่นกรัมาิหมู่บ้านเราเหมือนเดิมหมู่บ้านสมมติหมู่บ้านป่ามะขามหวานสมมตินะครับหลังจากที่ต้นมะขามมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วนึกออกไหมพี่น้องก็จะมีนักบวชมีคนจีนสื่อสารมีคนที่ทำพิธีบวงสรวงคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนซึ่งได้รับผลประโยชน์ในสังคมพอมีความเชื่อใหม่ขึ้นมาต้นมะขามไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจริงๆคือต้นไรล่ะ ตนกระบองเพชรสมมุติมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวพี่น้องมันไปทําลายฐานความเชื่อของกลุ่มชนเก่าด้วยคนที่มีอํานาจสามารถชี้สังคมได้มีฐานะในสังคมเวลาถูกท้าทายเรงความเชื่อถ้าตนมะขามไม่ศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บอ่าไอ้นักบวช ท, ที่อันนั้นมะขามทาําไงก็หมดความศักดิ์สิทธิ์มันํานาจไปด้วยย้ายไปที่ความเชื่อใหม่นึกภาพอาไว้พี่น้องฉะนั้นเวลาที่มีการนําเสนอความเชื่อใหม่ๆโพลขึ้นมาเนี่ยเขาจะมองว่ามี ผลประโยชน์เบื้องหลังด้วยต้องการลบความเชื่อฐานอํานาจซึ่งมันการเมืองกับความเชื่อตะกอบมังคุด้วยกันลบความเชื่อตรงนี้เพราะต้องการนําเสนอความเชื่อใหม่ซึ่งขู่กับฐานอํานาจทางการเมืองใหม่ฉะนั้นเวลามีรายโผพ ข, ขึ้นมาเนี่ยคำถามก็คือว่าต้องการอะไรมีอะไรอา่านแฝงผลประโยชน์คืออะไรต้องการจะ ด, ดันพลังกลุ่มใหม่ใช่ไหมคนกลุ่มใหม่ใช่ไหมนบีพูดบอกว่าลาอัลสลุกอะลลาฮิอัจรันของแบบเนี้มันต้องห่วงไม่มี อินอัจรียอิลลัลละดีฟตารณนีรางวัลสิ่งที่ฉันต้องการมาจากคนที่สร้างฉันอัฟลาตะกิลูนพวกท่านไม่จะใช้สติปัญญาหรอกหรือจริงมันมีตัวอย่างในสังคมผมรู้สึกว่ามันอาจจะอ่อนไหวกันเลยมันด้ยกความเชื่อแบบนี้เนี่ยให้อำนาจกับคนกลุ่มหนึ่งพูด ง, ง่ายๆเลยพี่น้องไ ม, ไม่กระทบมากยานครวัดนะครธมเนี่ยสมัยก่อนยังไปความเชื่อแบบพารา์นะ พอเป็นความเชื่อแบบพราหมณ์เสร็จก็จะมีนักบวชนักบวชก็จะให้ประโยชน์กับผู้ปกครองผู้ปกครองเป็นสมมุติเทพนึกออกไหมพี่น้องมีอำนาจในการปกครองคนนักบวชก็จะถูกเชิญมาทำพิธีกรรมเอาก็มีบทบาทในสังคมกลุ่มอำนาจมันเกี่ยวเอ่อผู้ปกครองกษัตริย์นักบวชบุคคลมันเกี่ยวกันหมดผูกด้วยกับความเชื่อครั้นี้ถ้าเอาความเชื่อใหม่มาพุทธมาในนคร ว, วัดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพ่อ ความเชื่อใหม่เปลี่ยนปุ๊บนึกออกไหมพี่น้องไอ้นักบวชที่ทำพิธีพรมทำไงละ่ะก็สูญเสียอํานาจมันไม่ใช่แค่ความเชื่อมาไปการเมืองด้วยพอสูญเสียอํานาจเสร็จแล้วก็ไม่มีใครมาบอกว่าพระเจ้าคือสมุติเทพไอ้ผู้ปกครองก็ไอ้ผู้ปกครองก็เสียอํานาจไปด้วยคนก็จะไอ้นั่นไปด้วยฉะนั้นเวลามีความเชื่อใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเชื่อมันเป็นประเด็นการเมืองขีดลครวัดเนี่ยเวลาเขาฝ่ายพามโจมตีฝ่ายพูดกับเนี่ย พุทธลูกถูกตัดท่อทิ้งในท่อถูกตัดหน้าในถูกเสาะเข้าไปพี่น้องแล้วก็เอาสิวเวลึงไปติดเป็นเรื่องความเชื่อเวลามันเกิดการประทะกันมีการเมินแฝงอยู่ด้วยกลุ่มอํานาจการหนุนความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันเวลาพูดถึงประวัติอับีต่าปลงในพี่น้องต้องมองมุมนี้ให้ออกมีการตั้งพาคีเกิดขึ้นในมักกะเนี่ยคนบูชาเจวเวดเกิดขึ้นอับิุมัปลโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ นบี ม, มุ h ม m m เป็นฝ่ายไหนความเชื่อเนี่ยหนุนใครแล้วใครจะมีอำนาจบกมาดูแลมาการ์กาบาต่อมองแบบนั้นในประวัติท่านนบีบรอฮิมมีวิหารมาจำเมืองมีคนปั้นรูปปั้นมีผู้นำซึ่งสนับสนุนความเชื่อนี้ผลประโยชน์มันเกี่ยวไปหมดพี่น้องคนปั้นมีคนกลับวว่ามีค่าจ้างผลประโยชน์เกี่ยวไปหมดนบีบรอฮมโค ข, ขึ้นมา แล้วบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าเวลาทําลายไม่ใช่ทำลายความเชื่อแต่ทําลายเครือข่ายการเมืองที่อยู่ในสังคมตรงนั้นด้วยถึงเอาไว้ไม่ได้ต้องเผาทิ้งน บ, บีนูบีบรหินทําไมเขาเอาไปเผาล่ะเพราะว่ามันเป็นภัยต่ออํานาจด้วยไม่ใช่แค่ความเชื่ออย่างเดียวมองในมุมนี้จะได้เข้าใจปฏิสารมากขึ้นแต่บรรดานับีนบีนบบนับบนวกะดีน บ, บีิฮูดกะดีพูดเหมือนกันงานนี้ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่มีใครมาหนุน ถ้าจะมีก็มีอัลลดีฟาตอรานีมีผู้สร้างฉันนีแ่แหละจะตอบแทนฉันไม่ได้มีกลุ่มอำนาจอื่นในอายะต์ต่อไปอายะ์ที่ห2บนะครับซึ่งไม่มีเอกสารแต่ผมจะพูดต่อให้นะวยาเกามีนบีฮุดกล่าวต่อไปว่าอิสตักฟิรูจงขออภัยโทษรับบากุมพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านซุมมาตูบูอิลัยฮี แล้วก็ทำการกลับเนื้อกลับตัวตูวบูคือต่อบาสทำการต่อบาสซะยูซซลิสมาอะไรกุ้มมิดฮอลันนะครับแล้วอัลลอ์ก็ทำไมเอ่ยเป็นผู้ที่ส่งฝนมาให้ส่งท้องฟ้าซึ่งมอเมฆฝนมาให้<ฮ>วายซิทกุ่มกูวตันอิลากูวติกุมแล้วก็จากฝนนั่นเองอัลลอ์เพิ่มปัจจัยยันชีพเพิ่มพลักกำลังให้กับพวกท่าน วลวลาตะวัลลรามจริมีนยาผินหลังในสภาพซึ่งเป็นคนซึ่งทำไมเอ่ยละเมิดหลังจากน บ, บีฮุษ์บอกว่าคนที่ตอบแทนฉันคือฟัตรานีสร้างฉันไม่ใช่สร้างฉันอย่างเดียวแต่เป็นคนซึ่งทำไมเอ่ยยุซิสมาอะัยกุ้มมิดฮอร์นเป็นคนที่ส่งฝนมาให้พวกท่านด้วยสังคมของพวกอารเป็นสังคมกเกษตรอยู่พี่น้องยังใช้ฝนอยู่ ปัจจัยสภาพดีฝ้าอากาศส่งผลต่อความอยู่รอดของคนทั้งชุมชนไอ้คนที่ให้ฝนมาเนี่ยไม่ใช่จวเจวีร์ลาวนี้แต่เป็นพระเจ้ามีองค์เดียวแหละองค์ไหนองค์ที่สร้างฉันพระตาอานีมักกี้เนี่ยสร้างฉันด้วยแล้วก็ให้เมฆให้ฝนกับพวกท่านด้วยหลังจากนั้นกล่าวต่อไปว่าฝนที่ให้มาเนี่ยนอกจะใช้ประโยชน์กับพวกท่านแล้ว มันยังยาซิตกุมกูวตันอิลากูวติกุ้มมันเพิ่มพลังให้กับพวกท่านด้วยมีฝนมีพืชมีอาหารมีพลังพลังองพวกอาร์ถูกกล่าวถึงพี่น้องครับมีความเข้มแข็งมากจนกระทั่งว่าขุดภูเขาสร้างที่อยู่อาศัยจากหินซึ่งมีความแข็งพวกอาร์ตแข็งกว่า <c oughs> ขุดอยู่ได้กูว่าตรงนี้มาจากไหนล่ะมาจากอัลล ดังนั้นถ้าสิ่งที่พระท่านมีทั้งหมดนี้แลว้วมันมาจากพระเจ้าแลว้ววัลลาตะตะวันลามุจริมีนอย่าผินหลังให้ในสภาพคนที่ละเมิดฝ่าฝืนนี่คือสิ่งที่นะครับผมนำมาฝากในวันนี้หาอายะในช่วงท้ายเหลือประมาณ5้านาทีทวนอีกนิดหนึ่งพี่น้องเนื้อหาเมื่อกี้แหละแต่ทวนนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครหลุดโฟกัสไปวันนี้เนี่ยนะครับเราพูดถึงซุรอฮูด ห้าอายะอายะที่สี่สบแปดถึงอายะที่ห้าสิบสองในกระสาลมีแค่ห้าสิบเอ็ดแหละแต่เวลาพูดพูดถึงห mm ้าสิบสองฉะนั้นสัปดาห์หน้าห้าสิบสามต่อเ น, น, นื้อหาด้แบ่งเป็นสองช่วงมีน้องครับอายะที่สี่บแปดกับอายะที่ส9ิบเก้าเนี่ยพูดถึงท่านนบีนัวอะลัยฮิสาลามเป็นเหตุการณ์ตอนท้ายแล้วนะน้ำแห้งแล้วแล้วก็กลุ่มชนนบีนัวก็ทำไมเอ่ยกระจายไปบนหน้าแผ่นดิน สิ่งที่เราได้คือการแพร่กระจายของมนุษย์ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องอลัลลอ์ให้สาลามให้ความสันติแล้วก็ให้บารากะให้ความจเจริญถ้ามองผิวเผินน่ยธรรมดาแต่มองให้ลึกแล้วกันว่านึกภาพว่าคนจะตั้งถิ่นฐานมีชีวิตอยู่ได้มีแพร่พันธุ์มีลูกมีหลานเนี่ยถ้าอาลัลลอ์ไม่ให้สันติไม่ให้ความจเจริญตายกันหมดพี่น้องแต่อัลล์ให้ให้เพราะว่าคนเหล่านี้เลือกที่จะอยู่กับนบีนัว เป็นอุมัมเป็นปรุดด้วยแล้วก็กลุ่มชนภาษาชาติแตกออกมาเป็นลูกเป็นหลานในทา่านคนข้ามอายุย่ที่48พูดถึงกลุ่มชนซึ่งทําไมเอออัลลอฮ์ลงโทษให้ความเพิดเพลินชั่วครั้งชั่วคราวหลังจากนั้นก็อัลลอฮ์ก็ลงโทษจมน้ําตายไปแล้วแล้วกับปุตตะบดามุชลิกินฟังผู้ติดตั้งบาคีในนครมักกาฟังว่าถ้าทําแบบนั้นจบก็เหมือนกัน <c oughs> นายะที่สี่สิครับอัลลอฮ์บอกว่าที่เล่ามาเนี่ยเป็นอันมาอุนรไลบ เป็นเรื่องราวที่เล่นลับแม้ว่าเรื่องราวน้ําท่วมโลกของนบีนุฮานอาน้ําท่วมโลกกับพระเจ้าเนี่ยจะอยู่ในหลายๆความเชื่อเป็นสากลไปแล้วแต่รายละเอียดในคุอ่านเล่าไม่ปรากฏในคัมภีร์เล่มอื่นเนื้อหาตรงไหนบ้านเช่นการตอบโต้ระวังนบีนุฮากับพระผู้เป็นเจ้านาบีนุฮ์เคยขอให้กับลูกซึ่งไม่ศรัทธานเนี่ยได้รับการพยาโทษและอลัลลอฮ์ไม่ตอบรับเนื้อหาเหล่านี้ทําไมเอ่ยไม่ถูกกล่าวในคัมภีร์อื่น นะครับหลังจากพูดถึงนบีนุ่จบแล้วเนี่ยก็อ่านามวดปมใช้คีย์เวิร์ดคำเดียวคำว่าฟาสบิกอดทนแปลว่างแง่คิดหลักจากนาบีนุ่ต้องอดทนแล้วก็บอกว่าตอนจบดีๆลินมุตะกีนมันจะเกิดกับอัรดาผู้ที่ยำเกรงอดทนกับตักวาแยกกันไม่ออกพี่นอ้องแล้วจากนั้นก็จบเรื่องบดนบีนุ่เริ่มนบีฮูด ห้าสิบเอพูดถึงท่านนาบีฮุดอะลัยซ์สลามทราบจากเนื้อหาก็คือว่าเป็นกลุ่มชนอาดเป็นหนึ่งในกลุ่มชนอาดทําการเผยแพร่สิ่งแรกที่นบีฮุดพูดก็คือว่าไม่มีเจ้าอืดดนาอนา่นใดในอัลลอฮ์เหมือนกันไหมคุณคุณไหมพี่น้องเหมือนกันตอนที่เราเป็นมุสลิมลาอิลัยซ์อัลลอฮ กันเดียวกันแนวทางเดียวกันจะห่างกันกี่พันปีถ้าเป็นนบีเป็นวาฮีมาจะเอาล่อเหมือนกันเนื้อหาหลักเหมือนกันพี่น้องไม่มีเจ้าอื่นใดเจ้ามีองค์เดียวจะถูกเรียกด้วยกับชื่ออื่นตามภาษาอื่นกันแล้วแต่แต่พระเจ้ามีองค์เดียวแล้วเจ้าที่เหลือละ่ะมุฟตารูนเป็นสิ่งที่ถูกแต่งขึ้นมาพี่น้องผมพูดไปแล้วว่าตำนานความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจากคนภายในชุมชน ทำให้มีขึ้นการอุปโลกขึ้นตรงนี้พี่น้องอาจจะด้วยเจตนาที่ดีก็มีไม่มีนะองไรงกันแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นสื่อที่แต่งขึ้นมาเป็นมุฟตาหูลลองไปศึกษาดูความเชื่อต่างๆที่มาเป็นยังไงน่าสนใจนะครับนบน บ, บีฮุดอะลัยสลาฮยังบอกว่าที่ทำมาทั้งหมดนี้เนี่ยนำเสนอความเชื่อที่มีพระเจ้าองค์เดียวขัดกับความเชื่อที่มีอยู่ในสังคม ไม่จะมีประเด็นการเมืองแอบแฝงไม่มีผลประโยชน์เพราะรางวัลที่ต้องการเอาจากไหนอัลลอฮฺฟัตรานีเอาจากคนที่สร้างสร้างฉันขึ้นมาคือจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็อายะห์ที่ห้ิบสองายะห์สุดท้ายครับน บ, บีฮูดเรียกร้องให้คนทั้งหมดทําการอิสติกฟาร์ดขอไปโทษแล้วก็ทําการเตอบะกับเนื้อกับตัวแล้วก็บอกด้วยว่าพระเจ้าที่สร้างฉันเนี่ยทำไมเอ่ยส่งฝนส่งฟ้ามาให้กับพวกท่าน เมฆฝนเมฆฟ้าที่ว่ามีให้มีฝนตกลงมาให้ประโยชน์เนี่ยนะครับฝนเหล่านี้ยาซิดกุ่มกูวตันอิลากูวติกุ้มให้พละงกำลังให้ความเข้มแข็งกับพวกท่านทั้งหมดทั้งปวงนี้ดังนั้นสรุปเลย ว, ว, วลาตะวันลมุจริมูลอย่าหันหลังให้ในสภาพผู้ที่ละเมิดนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าฉล อ, องจาก็จะกล่าวถึงรายละเอียดการเผยแผ่ของอบดุฮดอะลัยสลามต่อไป สวัรับวันนี้กับบับบิลลาฮิทาวฟิ ah. บนฮิดายา assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh